Thank mm -hmm. you. ทกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติผู้ฟังธรรมก็จะย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังผู้ฟังธรรมสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจผู้ฟังธรรมยอมบรรเทาความสงสัยเสียได้ผู้ฟังธรรม จิตยอมป่องใสผู้ฟังธทรรมยอมทาความเห็นใ้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิมีอนิอนสงของการฟังกระหูกสูตรเป็นมงคลได้ยินได้ฟังมากแล้วก็ส่วนประกอบก็คือการปฏิบัติธรรมจเจริญสติื่อที่จเจริญสติก็ยอมได้กระแส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 เห็นความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดเห็นความแจ่ก็ต้องมีความไม่แจ่เห็นความเจ็บก็ต้องเห็นความไม่เจ็บเห็นความตายก็ต้องเห็นความไม่ตายนี่เรียกว่ากัดแสกระแสแห่งมรรคผลในผ่านกระแสน้อยๆใหม่ๆอาจจะเท่าแสงเหี่งห้อยบ๊อบแวมๆก็ยังดีต่อไปก็อาจจะแสงทูบแสงเทียน ต่อไปอาจจะแสงเนออนต่อไปอาจจะแสงดวงทิศดวงอาจันทร์เรียกว่าลู่แจ้งโลกลู่แจ้งโลกก็อย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมได้กระแสการปฏิบัติธรรมตัดไปเลยไม่ใช่เพื่อสรรเสริญไม่ใช่เพื่อราบสกุลละไม่ใช่เจ้าลทัทธิเป็นการบรรลุถึงคุณธรรมหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ กายใจบริสุทธิ์ถ้าเป็นฤทธิปฏิหารคือทําให้สําเร็จการทําให้สําเร็จคือทําความดีได้สําเร็จเมื่อเกิดความหลงทำความหลงให้สําเร็จหมดไปเกิดความรู้มาแทนเมื่อเกิดว่ามีความทุกข์ทำให้ความทุกข์หมดไปเกิดความไม่ทุกข์มาแทนสําเร็จริตหรืว่ามีฤทธิ์ที่เป็นนามธรรมา ท, ที่เป็นปรูปธรรมบริสุบุรี เลิกสุบูลีเฮ้ดื่มเหล้าเลิกดื่มเหล้าเนี่ยริดเดี๋ยวทำให้สําเร็จทําความชั่วเหลวไหลให้หมดไปทําความดีให้เกิดขึ้นเรี๋ยวว่าริดปฏิหารเนี่ยริดแบบนี้ทำมอผลในพานให้เกิดขึ้นทําความทุกข์ให้หมดไปเดียวว่าริด ท, ทิปฏิหารความสงบก็สงบจากค่าศึกสงบจากการปลงปลงแต่ง เคยง่วงเหงาหอนอนไม่ต้องง่วงไม่ต้องง่วงพ้นไปได้จริงจริงผม ง, ง่วงอยู่ที่ไหนไม่หลุ่มผมหลงอยู่ที่ไหนก็ไม่หลุสําเร็จแน่นอนจิตนิ่งสําหรับจิตนี่ยอดเยี่ยมเป็นของที่แจ่วสารพัดนึกภาวะของจิตภาวะของกายก็ลู่หมดแล้วสิ่ง ไหนไม่เที่ยงเสียงไหนเป็นทุกเสียงไหนไม่ใช่ตัวตนรูปหมดแล้วความไม่เที่ยงความเป็น fort, written, ut, trust, hmm forward, ed, ท Power, ุกความไม่ใช่ตัวตนครอบของรูปรูปตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับเสียงเหล่านั้นไม่ต้องไปหลงไปสศกไปทุกข์กับเสียงเหล่านั้นไม่ต้องไปหลงกับเสียงไม่เที่ยงไม่ต้องไปหลงกับเสิยงเป็นทุกไม่ต้องไปหลงกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหลุดไปได้หรอพ้นไปได้ เร่งของโลกไม่มีอะไรที่ไปข้องแวะอีกมีแต่จิตที่บริสุทธิ์นะมีแต่จิตที่บริสุทธิ์จิตบริบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นทําให้จิตเศร้าหมองพ้นจากความเศร้าหมองทําลายลงได้ลาบเลียบลงไปความโง่หลงมงมงายต่างๆลาบลงไป เพราะจับหางทำบทไปขยี้ไปเหมือนรถบทถนนผนทางที่ให้มันได้มาตรฐานมันเป็นมิตรภาพราบเรียบอำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปเรียบลงไปไม่มีสะดุดโดยชีวิตเรียบเหมือนหน้ากองชัยพระพุทธเจ้าศาสนาภา ษ, ษีอารียเมตไตรชีวิตมันเรียบเหมือนหน้ากองชัย ของใช้เนี่ยมันเรียบมุมด้วยหนังมันตึงมันเรียบไม่มีสะดุดเพราะอะไรเพราะมันทําลายสิ่งที่ขุขะให้เรียบลงได้ว่าไปตกกลงวลนศ้ามองมเอาอันนี้เป็นเจนสิ่นี้เป็นเจนไม่ใช่เอารูปไปขูปไปเฉนเอาคําพูดเอาอะไรจิตยาอะไรเป็นหลอกกันไม่ใช่เรียบทางชีวิตจิตใจก็ใช่ชีวิตธรรมดาธรรมดาในเกณฑ์มันเป็นเนี้ ัก็เอาหมดโหลดเกณฑ์ของโรงเรียนเกณฑ์ของอะไรต่างๆได้เกณฑ์ได้มาตรฐานไปทางนี้นะปฏิบัติธรรมอย่าไปคล้องไปแวะอย่าไปลงอยไปมองอะไรที่มันไม่ใช่มันเป็นไปทํานองนี้แม้ยังไม่เป็นมันก็มองไปโน่นหรอเออกระแสกระแสแห่งมรรคผลในพันความไม่ปรุงปุงแต่งแต่งความไม่ผูู้แฟบๆ เรียบไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยกิดติ้งไปเลยนิ่งไปเลยสำหรับจิตนี่แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดจิตจะเป็นยังไงก็ตามจิตตรงแน่นอนไห้แล้วหลักของจิตอย่แล้วหลักของจิตอยู่แล้วมีตรงไหนมีตรงที่ไม่เป็นอะไรสภาพจิตไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรภาว่าที่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่คำพูดมีแต่นิ่งความนิ่งความไม่มีอะไรน่ะเป็นหลักสภาพของจิต ไม่มีคำพูดใดๆปรมัติฐ์สภาวัธรรมไม่มีคำพูดเป็นการเข้าถึงความเนิ่งความไม่เป็นอะไรความไม่ปรุงปรุงต่ง แ, แต่มันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ปฏิบัติของชีวิตในวันได้ชีวิตได้ชีวิตนะชีวิตแบบนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายเป็นของอันอื่นวันละเรื่องกับชีวิตแบบนั้นเราจึงมาสร้างกระแส ความหลงก็พูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าความหลงไม่ใช่ชีวิตไปแล้วนความรู้สึกตัวเป็นชีวิตนั่นกำลังจะมีชีวิตขึ้นมาเอาชีวิตแล้วว น, นะ sait, ความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตความไม่ทุกข์คือชีวิตนั่นมันก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจับได้แล้วผู้ปฏิบัติเอาความคิดความหลงคิดไปเอากับรู้สึกตัวอ้าวจะมีชีวิตขึ้นมามีชีวิตขึ้นมา เริ่มกระแสนน้อยไปให้กำเนิดเกิดขึ้นแห่งชีวิตผู้เจริญเสติความรู้สึกตัวเหมือนอะเลมักเหมือนลูกน้อยดูดนมของแม่อะเลมักนะถ้าลูกเข้าลูกมากลูกมากมาก็เหมือนลูกน้อยดูดนมความเจริญเขาก็จะมีไปเองเมื่อเขาดูดนมเมื่อเขากินข้าวที่แม่ปอนเขาก็โตเอง เขาโตเองไม่ใช่เราไปโตแทนเขาแต่ว่าเราแม่ก็ต้องเลี้ยงเอานมใส่ปากแต่เขาก็กลืนของเขาเองเขาก็โตของเขาเองไม่มีเราแม่โตให้เขาไม่ได้แม่กลืนแทนเขาไม่ได้ความโตเป็นของเด็กน้อยเป็นของโลกอ่อนอ่าเขาโตขึ้นเราต้องก้อนนมเขาไปก้อนนมเขาไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน การให้การเจริญสติสียาที่ให้สติมันเกิดขึ้นมาเหมือนแม่เลี้ยงลูกน้อยให้กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภาวะแห่งความเป็นพุท ธ, ธะใส่เข้าไปป้อนเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปเมื่อกายรู้สึกตัวเมื่อใจรู้สึกตัวก็ อ, อยู่ในอาลีมักจเจริญเติบโตให้กำเนิดเกิดแข่งพุท ธ, ธะขึ้นมาพุท ธ, ธะก็จะเจริญเติบโตจนเป็น ความเป็นพุทธสมบูรณ์เือรู้ตื่นเบิกบานโทร่รู้ตื่นเบิกบานอรหังไกลจากกิเลสไกลจากข่าศึกธรรมาสมมัมพุโตไม่มีใครนิ่งอยู่ได้ถ้าใครเข้าถึงสภาพแบบนี้ก็ต้องเกิดแจกของสองตะเกียงเพื่อช่วยผู้อื่นเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่มีคำสั่งเป็นไปเอง คนคอยช่วยมนุษย์ช่วยทุกเสียงทุกอย่างเป็นโพธิสัตว์ชีวิตเพื่อคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นไปเลยไม่มีใครไปหยุดอยู่เ็เข้าถึงภาวะแห่งความเป็นพุทธในชีวิตจิตใจแล้ ว, วก็เรายิ่งมีครอบมีครวัวมีผัม ว, มวมีเมียมีลูกมีหลานยิ่งกระตือรือร้นที่จะช่วยกันไปช่วยกันแล้ววะเนะี่ยแต่ก่อนนะ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 จะช่วยผู้ช่วยคนช่ยต้องบอกตองสอนก็มีปัญญาปิดวงลิบปิดวงลิบปเปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาไม่ใช่เกิดจากเราเราไม่ได้สร้างปัญหาเราเป็นผู้แก้ปัญหาในเชิงรี่ว่าพุทธภาวะาสอนคนอื่นได้สอนคนอื่นได้ มีผู้รู้ตามมีผู้รู้ตามมีผู้รู้ตามเรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่หายชนทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนภาษาวกว่ระอรหันต์เกิดขึ้นเพียงห้าหกูปสมัยใหม่ๆก็สั่งไปเลยเจริญถาพิฆเวจาริกังพระโวชนะ ในใจยะพหูชนะสุขายะโลกานุกมปายะไปไปไปไปกันกระตือรือล่นไปต่างรูปต่างไปมีงานมีการเสร็จหน้าที่พวกเราแม้ได้อะไรก็สอนเท่านั้นรู้อะไรก็สอนเท่านั้นการสอนการสอนการบอกความเจงแก่ผู้แย่คน เราเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่เป็นบุญเป็นบุญผู้ฟังเราธรรมธรรมสวรรนามัยก็ได้บุญท่องผู้สอนท่องผูดฟังบุญนี่บุญคืออย่างนี้ทำบุญแบบนี้ธรรมเทศนาใม่ยธรรมสวรนาม่ยเวรยวัจจะไมยเยาะแยะเกิดแห่งบุญเวรยวัจจไมรับใช้พรพุทธกาพรพุทธศาสนา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 มมืดแต่ด้านเหมือนเมื่อก่อนเราก็เห็นแล้วเราก็สัมผัสแล้วก็ไปแล้วไปถึงที่นั่นแล้วทันทีเห็นความหลงลรไปถึงความไม่หลงแล้วสำเร็จแล้วถึงที่สุดแล้วเอาความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดได้แล้วถึงแล้วความรู้สึกตัวมีแล้วทำเป็นแล้วแม้มันมีความหลงทำความหลงหมดไปแล้วโอ้ทำเป็นแล้วความหลงหมดไปแล้วที่สุดแล้ว ที่สุดแห่งความหลงทำความหลงให้เกิดความไม่หลงเลอว่าที่สุดแม้ยังมีความโกรธความความโกรธให้เป็นความไม่โกรธที่สุดอย่งความไม่โกรธแล้วหยุดลงไปแล้วังถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของเราทำตามฐานะกำลังของปัญญาของเรายกตนออกไปยกตนออกไปนะช่วยตนเองดูแลตนเองเป็นอยู่กับตัวเองเป็น ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนมันสับสนวุ่นวายไปได้เลือกได้ไปได้เลือกได้ผู้ปฏิบัติเลือกได้จริงๆความหลงเลือกเอาความไม่หลงความทุกเลือกเอาความไม่ทุกความโกรธเลือกเอาความไม่โกรธเลือกเป็นแม้ยังมีก็เลือกได้เข้าข้างสิ่งที่เกิดความชอบเป็น แล้วก็ถ้าจะเห็นก็เห็นหลักเห็นฐานเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นอาการจริงๆริงอาการที่มันเกิดมีจริงๆริงเราก็ไม่คล้องไม่ติดถ้าชื่อว่าอาการแล้วไม่ใช่ไปเอากิ้งเอาจังไม่ออกมาเป็นสุขไม่ออมาเป็นทุกข์ไม่ออกมาเป็นความหลงเห็นธรรมชาติเห็นอาการเป็นคำตอบในตัวอาการก็ไม่ใช่ ของกิง่งแต่ว่าบางทีก็มีสมมุติไม่บัญญัติไม่ปรมัดเป็นปรมัดทะสภาวัฒธรรมชีวิตเรามันต้องเป็นสองส่วนสมมุติบัญญัติทําให้ชีวิตกระจุยกระจ่ายปลมัดสัจจะทําให้ชีวิตอยู่ในกามือกองลูกกองน้ำถ้าเราไม่รู้มันกระชวยกระจาย เหมือนหมดแดงหลังหมดแรงเมื่อเราไปถูกมันมันก็จุยออกไปแสดงออกไปแตกออกไปวันนี้เราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้ชีวิตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสแต่ก่อนมันมีส ม, มุติบัญญัติเข้าไปสนับสนุนเกิดความหลงเข้าไปสนับสนุนแล้วก็กจุยกระจายไป ก็จุยไปเลยพอตาเห็นลูกสมผัสความหลงเข้าไปสนับสนุนเกิดสมมุติบัญญตัติชอบไปชอบก็จุยไปแล้วไม่ชอบก็ยึดเอาอุปทานเข้าไปยึดเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไปชอบเกิดความอุปทานเข้าไปยึดเป็นสมมุติบัญญัติบัญญัติไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวจนเธอยาวออกไปก็จุยไปวันนี้ผู้มีสติ พอตาเห็นรูปเห็นสักว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความหลงเข้าไปสนับสนุนมีแต่ความรู้สึกตัวตกลงเหมือนเที่ยงก้ น, นขวดก้นเห็นใส่ฝาผนังไม่ติดไม่ติดตกลงตรงนั้นเห็นแล้วสัมผัสแล้วตกลงตรงนั้นตกลงตรงนั้นถ้าจะเรียกว่าปัญญาก็ามีปัญญาตรงนั้น เป็นความสมบูรณ์เป็นความปฏิบัติธรรมประมาตสัจจะสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปรกสะตาหูจมูกลืน่นกายใจแล้วอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็มีประมาจอยู่ตรงนั้นอาการกับธรรมชาติมันก็เป็นอาการเต็มไปหมดในรูปในนามเคยพูดแล้วพูดอีกอาการของกาย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 มันได้มาแบบนั้นแต่ตัวปัญญาก็มีชีวิตไปอีกอาศัยสียงเหานี้ให้เกิดชีวิตอีกให้เกิดชีวิตมาเห็นของกริงตามธรรมชาติอาการของเขาเป็นปัญญาบ้เป็นปัญญาทุกคนก็ต้องเห็นความปวดความม้อยความง่วงเหงาหอนอนเห็นความคิดเห็นอุปาทานยึดเอาความคิดยึดเอาความโกรธยึดเอาความรักความชัง ให้ความโกรธนอนอยู่กับเราค้าวันข้ามคืนให้ความวิตกเศร้าหมองนอนอยู่กับชีวิตเราค้าวันข้ามคืนผู้มีสติหลุดลงไปหลุดลงไปหลุดลงไปแก้ตัวเองก็แก้คนอื่นไม่ใช่อุปท า, านอุปท า, านไม่ได้แก้มีแต่พ่อคุณปัญหาเหมือนดินพ่อทั้งหมูปลมอัตถสภาวธรรมแก้ปัญหาแก้ตัวเรากเท่ากับแก้คนอื่นเราสงบกว่าคนอื่นก็คอยสงบ เราไม่ปรุงไม่แตง่งไม่เอาเรื่องเก่าช้ำชิดย่ำชิดย่ำชิดเรื่องเก่าก็ลุดไปลุดไปลุดไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังปัญหาต่างๆมีเทลายเอาไว้ข้างหลังมีปัญหาก็มีปัญญามีหลงก็มีรู้ชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นสะดวกคล่องเป็นการคล่องตัวผู้เจริญสติเป็นชีวิตที่คล่องตัวไม่สะดุดกับอะไร ไม่สะดุดกับอะไรเพราะเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วสติสัมปชัญญะที่เราลุยลุยมาอะไรที่เขาสแสดงอะไรเขาสแสดงได้เขาก็สแสดงออกไปหมดเปลือกความหลงก็หลงอย่างหมดเปลือกความโง่ก็โง่อย่างแบบหมดเปลือกความทุกข์ก็ทุกข์แบบหมดเปลือกมันก็เกิดจากความหลงเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นของสิ่งต่างต่อไม่มีปัญหาเป็นปัญญาก็เกิดจากความรู้นี่แหละ ได้ตัวสรุปได้หมดสรุปแล้วก็ทำเป็นเราก็ทาเป็นผู้เจริญสติย่อมทำเป็นไม่มีใครหลงไม่รู้สึกตัวไม่เคยโกรธไปรู้สึกตัวปัจนี้มาทางนี้แล้วพอมันโกรธพอมันหลงพอมันทุกข์มีสติรู้สึกตัวทำไปทั้งหลายหลายอย่างเกิดพลังขณะที่มีสติมันก็มีศีลนะที่มีสติมันก็มีสมาธิขณะที่มีสติก็มีปัญญา เป็นพลังร่วมสาหรับผู้เจริญสติเป็นพลังเกิดร่วมพลังร่วมทำห้เกิดความเข้มแข็งขณะที่เจริญสติเึยกว่าไม่มีไม่ใช่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความอดทนมีศรัทธามีความเพียรมีเมตตากรุณาอยู่ตรงนั่นด้วยรอบตัวเราบริวารแลยวา เกิดความเป็นพลังที่แล่วร่วมทําให้เกิดความดีเอาชนะความชั่วได้เอาชนะบาปได้เอาชนะอกุศลได้กุศลชนะอกุศลเป็นสัจธรรมอาธรร ม, ร ม, มธรรมย่อมชนะอธรรมอยู่เสมออย่างที่เราสวดบทธรรมะครวาทิฏฐาคาถาโยผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อบรักษาผู้ประพฤติธรรม ทำย่อมชนะอธรรมอาธรรมย่อมนําไปนรกธรรมย่อมนําให้ถึงสุคตินัน่เราเห็นแล้วอาธรรมคือความหลงธรรมคือความโลภตัวเราเลือกเป็นไปไวเ่ยเราเลือกเป็นอาธรรมย่อมนําไปถึงนรกอาหลงที่ใดก็ป้ายพัดบ้านพัดถิน่นไปโกรธไปรักไปชังไปทุกไปวิตกกังวลสมองนําไปต่ําลงไปต่าลงไป พอโลกสุโทก็ยกชีวิตขึ้นมาโลกโยกชีวิตขึ้นมาสูงความโลภความโกรธความหล ง, งทับถมไม่ได้ทำย่อมชนะอนธรรมอยู่เสมอเรารลูบเราพบเห็นเราทําเป็นทําได้แม้ทําไม่ได้เป็นบางครัง้งบางคราวแต่ว่าไม่หมดเนื้อหมดตัวไม่หมดเนื้อหมดตัวลูกจากเว้นวักเช่นเราทาํางานยงยงยากยากเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาทําใหม่เอาไว้ก่อน การพักไว้ก่อนทำทีหลังมันเป็นเหมือนกับเขาวักเว้นวักไว้ถ้าเป็นความหลงเขาวักไว้ก่อนอย่าให้ความหลงมันพืดไปถ้าเป็นความโกรธกขาวักไว้ก่อนอย่าให้ความโกรธมันพืดไปรู้จักเว้นวักไว้ไม่คลุมเว้นวักไว้ก่อนทำมาเดินไว้ก่อนถ้าเป็นความหลุดพ้นถ้าเป็นวิมุตติก่อตทางควิมุต ต่ทางคาวิมุตต์เนี่ยถ้าเกิดความโกรธกลมไว้ก่อนไม่พูดในเวลาโกรธเรียกว่าแต่ทางคาวิมุตต์วิขำปนาวิมุตต์หนีออกไปก่อนในออกไปก่อนถ้ามันทำท่าจะโกรธจะทะเลาะ ก, กันแต่ทาอันอื่นก่อนอาจหนีออกไปถ้าวันหนีไม่ใช่วิ่งหนีจากบ้านจากเรือนหรือมีจิตยาที่ไปก็ได้เมื่อจะพูดคำสองคาจะทะเลาะ ก, กันอาลูกไปกวดบ้านกวดเมือง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 กายต่อกายก็ไม่พูดหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนเดี๋ยวนี้เรามีสติรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกเข้ารอบสิบรอบหยุดไปก่อนอย่าเอาเรื่องนั้นมาคิดพืชเรียกว่าวิขำปัญญวิมุตติหนีออกไปสมุดเข็ดแต่วิมุตติเด็ดขาดไม่ต้องไปไหนตกทันทีเหมือนทิ่งก้อนหินใส่ฝาผนัง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 เหมือนพระพุทธเจ้าของเราเวลามานทั้งหลายยิงลูกศรมาใสพระองค์ก็เปลี่ยนลูกศรเป็นดอกไมก้ทูเทียนบูชาอะไหมายถึงปัญญาปัญญาคือเปลี่ยนความรายเป็นความดีไม่ใช่ลูกศรจริงจริงมันเป็นสอนคือทำให้เก็บปวดเราเคยเจ็บปวดเพราะเนนธาเพราะสริหารินแต่ต่อไปนี่เราไม่ใช่จะเก็บปวดเพรา ะ, นนาะเนนธาสริหาริญเรามีปัญญา เพราะมันเป็นโลกกระทำสมบัติของโลกเกิดมาก่เรากาได้การเสียการสุขการทุกข์เนนทาสรเสริญมันเกิดมาก่อนมันเป็นคู่สมบัติของโลกคู่ของโลกใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกสิ่งเหล่านี้จะต้องประสบพบเห็นกับทุกคนเราก็ลูลแล้ววะเนี่ยโลแล้วเป็นปัญญาแล้ววะเนะนีน่ยเนนธาเออเป็นสมบัติของโลกมันมีมาก่อนเรามันเกิดมาอย่างนี้สรเสริญก็มีอย่างนี้ เรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำเนื้อแล้วบัดนีะเนื้อแล้วเอ้าไม่สุขไม่ทุกข์พราะเนินเถรฉลเชิญไม่สุขไม่ทุกข์พอได้เพราะเสียไม่สุขไม่ทุกข์พราะเสื่อมเพราะอะไรต่างๆแล้วบัดเอาไว้หลังหมดแล้วจชิงแล้วนี่นะเพราะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แก้งเก่งๆรู้แก้งเรื่องนี้จริงๆรู้แก้งในความหลงรู้แก้งในความโกรธรู้แจ้งในความทุกข์ ความหลงหลอกไปได้ความโกรธหลอกไม่ได้ความทุกข์หลอกไปได้เรียกว่าผู้ลู่แก้งโลกผู้ลู่แจ้งโลกเป็นโล ก, กับวิถูโนน้อ ย, อ ย, อยที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราไปทางนี้ปฏิบัติธรรมอานิี้สงของการปฏิบัติธรรมไปทางนี้ไปอยู่บ้านไปทํางานทําการทํางานทําการลูกผิดลูกถูกกับหมู่กับเม็ดกับเพื่อนร่วมงาน หนักแน่นมั่นคงเขาหลงเราก็ลู่เขาไม่หลงเราก็ลู่เรารู้ตัวเราต่างหากไม่ใช่ไปจ้องมองคนอื่นมองตนเองเนี่ยเปลี่ยนดวงตากลับมาข้างในเคยมองคนอื่นวันนี้มามองตนเหมือนกับส่องเงาในกระจกแต่มองไปข้างหน้าแต่มันมองตัวเองบัณดิตย่อมมองตัวเองคนผ่านมองออกไปข้างนอกมองคนอื่น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 ถ้าทุกคนเปลี่ยนที่ตัวเองถ้าทุกคนเปลี่ยนเท่ตัวเองโลกก็สงบเถียงดิดนี่มือเดียวถ้าทุกคนมองตนมองตน้นไปไปทํางานทําการเพื่อนร่วมงานมีงานมีการความยากควง่ายมองตนยากก็เห็นมันยากไม่ใช่เป็นผู้ยากง่ายก็ง่ายก็เห็นไม่ใช่เป็นผู้ง่ายเป็นการกระทําโดยสุจริตบริสุทธิ์ใจเป็นกรรมล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเป็นกิริยาการทํางานเป็นกิริยา ไม่ใช่ยุ่งจะใช่ยากเป็นกิริยาของคนทำงานต้องแสดงออกมีกายมีสติมีปัญญาไปเกี่ยวข้องกับการกับงานทำผิดทำถูกมันเป็นงานเป็นการคนที่ไม่ทำงานมันก็ไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกคนทำงานก็ต้องมีผิดมีถูกเป็นธรรมดาใครก็ตามตเราผิดก็เออเราก็ผิดเขาผิดเราก็ผิดไปถูกเป็นถูกไม่จะไปกิ่งไปจังไปดูไปด่า เออมันก็ผิดเป็นธรรมนาน้อพูดกันดีๆเห็นความเิดช่วยกันแจ้ไขเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นความถูก้าการสร้างสรรค์ก็ดีเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งหรคนผู้มีธรรมคนผู้มีธรรมนะพยันกวัวเก่าทำงานเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมถ้าเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทางร่างกายใจไม่เหน็ดเหนื่อย ใจมันขี่คอเหมืนกับเขาวิ่งขี่คอคนที่วิ่งอยู่พวงรู้สึกตัวเนี่ยทาเนี่ยไม่ได้เหน็ดไม่เหนื่อยเลยขีย่คอคนขี่คอพูดทํางานไม่เหนื่อยเหมือนกับว่ามีกายมีจิตยิ่งทํางานทําการเนี่ยจิตก็ยิ่งนิ่มดีนะมันนิ่มตอนที่เรามีงานมีการมีปัญหามันนิ่งตรงนั้นเคยพูดแล้วว่าเหมือนกับ รถมีคุณภาพมีสมรรถนะดีเวลาลุยโคลนมันก็เอาพลังออกมาใช้เวลาขึ้นเขามันเอาพลังออกมาใช้เวลาตกลุมมันก็เอาความนิ่มออกมาใช้เวลาหลบละเรียบมันก็เอาพลังของความสมบูรณ์ของรถออกมาใช้ตามคุณภาพของเขาชีวิตที่มีคุณภาพที่เราฝึกฝนมาดีแล้วเหมือนกับ คนโบราณพูดว่าไม่จริ่์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นแห้งขนาดไหนก็ไม่ทิ่งกลิ่นผู้มีศีลมีธรรมย่อมมีกลิ่นศีลจินธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ่งไม่ทิ่งศีลไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติไม่จริ่์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดเสด็จคืนนักลบเมื่อเข้าสู่สงครามก็ไม่ทิ่งเลลาสงครามคืออะไรคือโลกคือรสคือกลิ่นคือเสียงเป็นดงแห่งโลก ไม่ทิ่งใดๆลีลาของผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเกี่ยวข้องกับเสียงใดก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดลีลาของนักปฏิบัติาาการทํางานทําการก้าวลงสู่เสียงขามก็ไม่ทิ่งลีลาขัดสดินคือนักลบลบกับข่าสึกคือกิเลส จ, จะทำทั้งหลายอนี่ช่องมี่ทางเห็นหมดทุกอย่างแล้วเห็นความหลงเห็นความรู้ ลยลาแห่งความรู้สึกตัวมาไวมาไวมาไวความรู้สึกตัวอ้อยแม่จะเข้าสู่เห็บจนก็ไม่เที่ยงลดหวานไม่มีคําว่าหวานไปอยู่ตรงไหนยังหวานอยู่เขาเห็บเขาปั่นเขาอะไรก็ตามยังหวานอยู่ผู้มีศีลมีธรรมก็อยู่ในศีลในธรรมตลอดเวลาบัณฑิตคือผู้รู้แล้วแม่จะประสบทุกขจนตายก็ไม่เที่งธรรมไม่เที่งธรรมคือความจริงของชีวิต คำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขไม่มีคำว่าเป็นอะไรไม่มีธรรมชาติธรรมคือความจริงคือมันเนิ่งอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นชัดเห็นแจ้งอยู <im> <sneaking>. <im> ่แล้วเห็นตั้งแต่ยุโรนเะพอไม่เที่ยงเห็นตั้งแต่ยุวัดป่าสุกโตปฏิบัติเข้มความเป็นทุกข์ก็เห็นตั้งแต่ยุวดป่าสุกโตปฏิบัติเข้มเขาฉายให้ดูหมดแล้วหนังเรื่องเก่าละครเรื่องเก่าไม่มีรสชาติในเรื่องที่เขาแสดง เขาหลงก็ไม่มีรสชาติในความหลงจืดแล้วรสของความหลงจืดไปแล้วไม่มีค่าสําหรับเรารสของความโกรธจืดไปแล้วไม่ไม่ค่าสําหรับเรารสของความทุกข์จืดไปแล้วไม่ไม่ค่าสําหรับ ท, ทำทาให้หมดพิษหมดสงแล้วพิษเรื่องนั้นไม่มีแล้วสําหรับเราเหมือนพระพุทธเจ้าอะถมมาพาสิทธิจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพไรปูงแต่งไม่ได้อีกต่อไป แต่ก่อนนี่เราไม่มีสติได like ้เล่นท่องเที่ยวมาในสงสารสงสารคือเกิดดับเกิดดับเกิดรักเกิดช่างเกิดสุขเกิดทุกข์เรื่องเก่าเกิดก่อเก่าเอามาทุกข์เรื่องเก่าเอามาสุขเรื่องเก่าเอามาโลภมาโกรธมาลงไม่มีแล้วบัดนี้ไม่มีอีกแล้วมาวิ่งไปในใดก็ชาติบัดนี้เรามีมมสติเห็นแล้ว ของเรือนของเจ้าเราหักเสร็จแล้วยอดเรือนก็นลือเสียจแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรพงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าจืดแล้วจืดแล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อผู้บัณฑิตแม่ประสบทุกข์จนตายก็ไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งความถูกต้องความชอบธรรมความเป็นธรรมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องนอกตัว สภาพกิจที่มันนิ่งมันฝึกตีแล้วเนี่ยไม่มีดอกความเกิดความแจความเจ็บความตายในกิจที่บริสุทธิ์ความเกิดความแจความเจ็บความตายมีอยู่ในกิจที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเขาไม่ฝึกตนสุขสนไปอยู่ในความเกิดสุขสนไปอยู่ในความเจ็บสุขสนไปอยู่ในความแจความตายวันนี้ไม่สุขสนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เกลียดขี้ฝุนไม่เปิดไม่เพื่อนกับเึิงใดบริสุทธิ์ เจริญสตินี่ทําให้กิดบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์นะนี่ยไปไปอยู่กับครอบกับครัวไปอยู่กับการทำงานจะอยู่กับมิตรกับเพื่อนไปทําความดีไปทําความดีอย่าหลงพยายามพยายามเพียรไปเรื่อยๆอาจจะได้บรรลุทำขณะที่ทํางานนี่ก็ได้บรรลุทำไม่ใช่อยู่สุขโตแต่ว่ามันก็บรรลุทำไปแล้วลวะฮะเพราะมันหลงก็บลูกบรรลุทำแล้ว มันทุกข์ก็มาก็บรู้เห็นความทุกข์มันรู้ทำแล้วมันง่วงเหงาเขานอนรู้สึกตัวมันรู้ทำแล้วเราทางเราคุยไปแล้วเราเหยียบไปแล้วลอยทางเราเดินไปแล้วเห็นแล้วเหมือนเราเดินจงกรมกลับไปกับมาอ้าวเดินกลับไปกับมาเป็นทางแล้วมันเราเดินมีสติเดินอยู่บนกายบนใจของเราเป็นทางให้เราแล้วเห็นทางแล้วเห็นกระแสแล้วน่ะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมพวกเราก็จะกลับวันนี้ ตามสงมุตปัญจตแต่ปฏิบัติไม่กลับไม่ปิดไม่ตรงไหนมีนสติเลื่อยไป